มันก็ได้มองดเรื่องขา้องเรียกคน่พราะเป็นโันคือทั้งโลกเขาพมพ์านหน่ายขายอัไรนั้นมันก็แพ่หลายมากนะแต่กองในทุวอย่างลดเรื่งองนั่นคืออาจารย์มัน่ไม่ทราบเลยจะสมหวังไหมทำไมมันมันแพร่หลายเนะนียหน่ายมันเขาจห่ายนั้นเป็นไงอาให้หน่ายเลยนัอดิใ้ปัางเพรจะอยาให้หน่ายก็ดีหนังือเขาคนเรสองือ แล้ทั้งนั้นเอามาเล่มมีสองล้านเร่มมีสองล้านเต็มนั้นสองล้านเตมน้นสองล้านเอามาเอามาอย่างนี้เขาจะขายเขาจะขายนี่ว่า oh, โอ้ยมันกรแพงไปแต <IS K> ่ไม่แอบมาขายเราทำไมจะมาบอกตำหนิว่าแพงว่าถูกห ล, ลักเขาจะให้ทําอย่างนั้นเราก็ทําตามว่าตำหนิอะไรให้เฉยมันไม่จะเอาแอดวราอยากให้อ ย, ให อ, ใหยอยา ก, านะยากให้ขาย แ, แต่จเราจะเอานี่เต็มตามมาจ้าเราที่ต้องการนี่ว่าแล้วที่ให้เฉยก็ขายแล้วเป็นไง นันดี่โอ้อย่างนี้เข้าถีนเอาแน่เป็นอนเนี้ยจัดเอาอันนั้นเอาคนแล้วเขาจะมาทดลองออกช่องไหนกรมจะกินถ้าออกช่องนี้เลยอาต่ดเอเลยอยากให้ขายอยากให้ขายอเรื่องมีสองล้านเนสองล้านเป็นสี่ด้านแล้วไงนะ่อนั้นสองล้านเรื่อันสองล้านนะมันเป็นเท่าไหร่เลยแปดล้านใช่ไหมล่ะคูเดียวจะแปดล้านโวยมันแขงกูกกกไเคยเห็นงนี้ตัวเรื่ตล้าน เนี่ยพี่ฉันดัดคนนี่นะมันมาทำไมมาพูดอย่างนั้นนี่ก็ใส่อย่างนั้นนะมันพอดีกันก็ให้เรามีน้าหนักมากกว่าอะไรก็ไเดิมเราสองล้านไม่หนักไม่เง้ยใช่ไหมคนโลกทั้งโลกเขาขายไปเราก็ฟาดะบนี้อเหมือนกันพเราไม่เคยขายนี่มาให้เาราขายเราเรือมาสองล้านมัน่างนั่นได้มนพอดีทันกันนะมันก็เรนมนกยังมาซื้อหึงแสนมันือกรมาติดนะมันจะซื้อได้หนึงถึง เคยๆเราเพิ่มกรรมิมันตกหลังเป็ีนหองเขาแล้วเขาจะขายเรืม่มเท่าไรก็ยคไปยุ่งเขาได้แม้แต่รยุ่งเขาไม่ได้ขายกรรสินี้เขาได้มันก็เป็นเศรษฐีแล้วเพราะเขาหวังมันล้านล้านแต่ก็เร่มมันเร่มน้อย ล, ยลให้เร่มมันเป็นเแสนจะเป็นอะไรไปเพราะจะหวังออกมันเป็นล้านล้านแต่เร่มนั่นคือตัวเรื่มมันดีเทนั้นไม่ใ่ฟุ้งุ้รับไป เนมามาบอกเราก็รู้ในเนื้อทำเราก็อ่านดูนะเราเป็นผู้เขียนเองทําไมมีสาระสําคัญยังไงหรือไม่มียังไงทําไมจะไม่รู้เราเปนคนเขียนเองสาระสำคัญบางอย่างขอ ง, อของอมิจฉุกต์คนี้่นเขาไปอ่านแล้วคนเหมือนกันกร็นรู้เป็ห ม, ม, มายโอ้สีนะั้นมีการหางองคบางองค์มันจะหมู่ก้อยยครับก็รู้ดวงสีนะั้ เขามาฆ่าคานเข้ามาทําวัด ừ, จมูกมันมันด่งมันช่องจมูกมันกว้างกว่าบ<ๆ>ุตรองค์สีเขาย่อมย่อฉันถืเลยอย่างนั้นไปชมเจอดีบังคนลู้ับากคนมาถามผมกว่านี้อืเขาไม่กล้าถามว่าเด็กหน้าถามมาท่านอาจารย์ท่านเรียนทางโลกจกท่านไหนทำไม ท่านแต่งทีหยดย้อนั้นนักพันก็สู้ไม่ได้เพราะเขาเาไป่พูดว่าอยาทาบเลยว่าเหนือเลยนะฟอปลอยากทราบเลยว่าจะ่างนะมันท่านสูงมืองท่านไหนเอว่าท่านก่อนละหนึ่งท่านกอนลไ้ท่านกอนนแปลว่าก็จังว่ามันสูงเลยที่้งจขนาแปลไปออกนี่ไหมล่ะวะนั่นท่านก่อนละหนึ่งงไงเอาที่แปลว่าไงท่านกอะหนึ่งอันตู้ มันแปลว่าไงนั่นแหละทั้งที่ว่ามันสูงเราก็ทำท่าเรื่งพอท่างได้กี่ได้หมดเวลาแป ล, ว, ลว่าท่านก็เรานอนแปลว่าท่านกินนอนนอนอ๋ออย่างนี้เลยวอีก็อย่างนี้ อ, อ น, น, นอไ ม, ม่หมุนหมอนมันได้เลือเนี่ยเอางี้ใครนอนมันห ม, นมุนหมอนทั้งนงันหรอหรกแต่ันสเสียเราไม่ได้หวังอะจากใครคำเฉยๆนิ่งๆทางนั้ไม่เคยสนใจ สมอยากจะเหตุผลที่จะให้ประโยชน์เป็นประโยช์แก่โลกเพราะนั้นเรามีความมุ่งตรงหัวใจของโลกะนั้นเป็นสิ่งที่เด่นในหัวใจเรานอกนั้นไม่ไมาเป็นใดในหัวใจเราได้เรื่องความสงสารเรายกให้ถือมันไม่ลกล้าไม่กล้ให้แล้วกำจับแล้วกำก้อเอาไปอ่านให้เกิดประโยชน์นั้นให้เพื่อประโยชน์จริงนะเราให้เพื่อจิตใจบอกนี่เลยอย่าให้เป็นตาเน่าคื น, ย, นย่างบนหินนะ เดิมนี้เดิมกำลังพินแต่เราแม่แต่ว่านักปฏบันไม่วางไม่เพราะมีภูมิจิดเป็นขั้นไปเถะที่เทอสองนิพาาเราได้วจเทือเองการต้านเทศอก็ไม่อะไรวาไปวาจไจบวาไปจบด้วยหลังสนใจเทืวันไหนก็มันก็หายเงียบหายเงียมันไม่เทือกผม แต่เทศสร้างกันสักกี่ร้อยกี่พันครั้งนี้ผมก็ไม่ไม่สนใจจะต่ําไม่สนใจจะทราบนะเรถึงเวลาประเทศแล้วเอาขึ้นในปัจจุบันมีเรื่อว่าตามนั้นเรื่อยแไปพอจบราหาสเนี่ยพร้อมเลยมาว่าประเทศที่ไหนเหมือนกันเขาจะมีมนลประเทศที่น่นที่นี่ไม่มีขบวนการปรเทศอย่งนัน้มีหุ่นลมผมไม่ได้ ประเท ต, ต่างโครงการถ้าจะให้ว่าระตามญาติจทิงก็ไปได้เทศแบบไปญาไปเลี้ยงก็ไปได้แต่ไม่ถึงใจเราด้วยไม่ถึงใจผู้ฝังด้วยคือมันไม่ถนัดหัวใจเราว่าตามความจริงตามกฎเด็กในหัวใจนี้ลาวสังนี่คือโค้ดโ้ดโค้โค้ดโค้เลยถึงใจเรื่องนี้เราเนี่ยจจะต้องแกทั่ไได้ครับ เร่มหลังจะเป็นบางกัรเป็นดีพอเหมาะกับคนก็ด ร, รว่ยไปอยู่บ้างเรื่อเอาประจวบที่ถอดมาจากเรื่องที่มีแปดกมสูภาย อ, อ, าอันนี้พอเต็มผลเลยนะแต่ัางล่าก็ดีเหมือนกันพิเศษกัรมนพอเต็มผลท้งล่ า, ลางคืปฏิบัติคิดใจเป็นไปสั้งลายนนั่นคือเรื่องนี้จะเป็นแว่น สองทางเดียวไม่มีทางอื่นที่จะไปอ่าจิตเมื่อจิตเป็นไปแล้วมันไม่มีภูมิอาจารย์นะนอกจากตัวอาจารย์องค์ไหนที่มีคุณคิดสูงกว่าเราทั้งนั้นเราถึงจะน้อมต่พอรับทำให้าาสูงกว่าแล้วมันรํามาได้เพ็าะอะไรเขาพูดลงมาเนี่มันก็ประกาศถมงตัวเองให้เราได้ทราบแล้ว ถามอย่างนี้ผิดคือถามถอดมันจะถิ่มาถามผิดนี่ถูกต้องนั่นนั่นท่านตอบมาเรก็รู้เพราะฉะนั้นมันไม่รู้ในขั้นเนี่ยทาที่เรากำลังพิจารณาอย่างนี้ตอมาแล้วสุขีอยู่หน้านั่นแหละเดี๋ยวมันมันก้มหัวลงเพื่อรับคำไม่ได้ตรงนั้นสมมติกรายกยาทั้งทีมาคุมเลยคนไข้เนีมันเป็นประโยชน์อะไรอันนั้นจะถูกกับโรค คนไข้เป็นแมลายไปก็ยกมาจีจะมาฉี ก, ก็ฉีจีจะให้กินก็กินจะอะไรก็แล้วแต่เอาที่มันก็ถูกเลยหรือยกมาทั้งตู้หาประโยชน์อะไรยาทั้งตู้โยนทุ่มต่อคนไข้ทำทั้งคัมพีมันทุ่มเลยมันจะ ก, กู้ประโยชนก็เหมือนกันเพาะทีดมันเป็นสรางวาความจำเป็นะ อยนี้คือตรงนี้มันก็เป็นอย่างนั้นบอกบ่งบอกชั้นหนึ่งในนั้นเลยยินดีตอนตายมันลงท่องเดียวกันทั้งนั้นแต่เราก็ไม่สนใจคิดว่ามันซ้ากันนะก็ความยินมันอย่างนั้นมันดีอยงนั้นจะให้พูดอย่างไรที่อื่นได้เลยการความยินมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องพูดตามความยินนั่น มันไปโยกเข้าเข้าถึงตรงนั้นมันก็เข้าช่องเดียวกันต่อไ ป, ป, ป, ป, ป, ปจะว่าซ้ำก็ได้อันนี้แต่มันจะซ้าแบบโลกมันเป็นความจําเป็นให้เข้าช่องเดียวกันมีกี่ร้อยกี่พันคนประตูมีช่องเดียวต้องเข้านี้หมดแต่ว่าคนแบบนี้มาเข้าซ้รำกันได้ไหมเพรมันไมีทางไปมันมีช่องเดียวเท่านั้นต้องพับทั้งเข้าช่องเดียวกันประตูช่องเดียวคนเป็นร้อยเป็นพันคน ทำมีหลานช่องสิทช่องยี่สิทช่องคนจะออกท่องไหนตั้งไหนก็ได้แต่นี่มีช่องเดียวเป็นความจําเป็นออกท่องอื่นไม่ได้มี็ช่องที่ทำงา น, นมีกี่รอยจีวรคนก็ต้องมาออกท่องนี้แล้วจะมาคนเหล่านั้นเขาซํารอยกันมาเดินตามหลังกันมาไม่เห็นมีใครสนใจไปคิดเพราะความจําเป็นมันบอกอยู่แล้วต่างคนต่างา้าตอันนี้ทําันนี่กับมอนกันเป็นทําจําเป็นที่ต้องพูดอย่างนั้นอยู่แล้วพูดเทก็ก็ทราบ ผู้ปฏิบัติตามซึ่งควรจะทราบแล้ ว, าาว่าจะไม่ช่าบเลยการทราบมันขึ้นเก๋งจะแปรเปล่ยนเส็นขั้นสืไม่ซ้ำกันนะที่เอามาตรวจว่าเจ็บถึห้ากับนไม่เห็นทั้งข้างขึ้นมาช่องกลางนะไปตรงกลางก็มาไปทร้ง น, นุนะ่น ถ, ถ้าทรมาเผ็ดร้อนทรมาสํสาพันธ์สัมพันนะตรงตาจะซ้ำ มันจะจบกันเหมือนๆกันหมดคิดจะเดือดแล้วพอกันมาถามมาทีแล้วก็จะเดือดเริ่มแรกนี่แะเริ่มจะสียด้มาเริ่มที่สองจะลดกันเ็น้อยมองว่าตั้งเริ่มนี้ถึงจะเป็น่บกันแล้วัต่คุณดูทั้งผีก็เป็นคนละเอียดหนาก็พอความมั่นสมท่าสิกันก็พความมั่สมเริ่มนั้นแต่น้อยกว่านี้มีผีี่กว่ากันก็ตาง ก็เป็นความมาสมอคุณหญิดีวมาความร่างจของคุณหญิงหมดแล้วก็เป็นคนละเอียดละเมามากเพระฉนั้นเรื่องนี้คือจะนากว่ารื่องนั้บ้างเหมือนกันผมจะบอกว่าก่อนหน้าจะไม่หนาเท่าเรืนนงใจรื่อใจมันเจ็บว่าก่อนหน้าเปไอันี้ร้อนก่อนส่วนเริ่มหลังอันนี้ก็เป็นงงานทีหิววาย่อหน้าเป็นไ คนเราคา่าอยทาบกขาเบริจาคเรื่อยๆนมะันบริจาคเรื่อยผมมันคนนิสยัยถึงนิสยัยพูดเกี่ยวเรื่องกนันเงินของผมนิสัยผมไม่นห้เลยมีแต่คโ ม, ม่องพูดหรือ ม, มันได้กะทะไหลผมไม่พูดหรือ ม, มีเกยียดยุ่งมีแต่เทศมีแต่พอแล้วไหนที่ต้องมาพูดถึงเรื่องการเงินขะองซึ่งขัดตอนิสัยจะาของิ่งใที่มันขัดล้วเราไม่ไม่ไม มันขัดมันก็ผิดขันใส่เราไม่เคยมาตใใแตไนเราไม่เคยปวนขันม า, ตนาแต่เป็นความสะดวกตอนอเรเพือไสเราแล้วมันบอกงั้ง น, นี้มันเป็นความขัดอยื่อใส่เราได้มากี่มืนี่แสมันก็ไม่เกิดปยชอะมันมาขัดแล้วมันก็เป็นค่าสิตเข้าใจยังงพี่นี่งเป็นค่าสิทติ์ตมีใส่าไม่เอาอย่างนี้กับอมหลืมันเป็นเงินี้เหลือ คิดแล้วคิดพิ น, นเยอะแล้วเยอะทับอกเงอนต้นมาก็บอกแล้วราคาการพินเขบอกมาแล้ว เ, ออ เ, อเอยอะทั้งเยอะเอาระยะคือเส่าวันมามาเทียบเทียมกันนะมาทำเป็นเองเพื่อความยินดันเพื่อเป็นแนวท า, ว า, วางก็มีเป็นความยินข้อยินดันกันก็มีคือฝ่ายขนที่มันตากดขึ้นในสินี้ ถึงจะแน่ใจอะไรก็ตามความรอคอบมันติดขั้นเนี่เอาทั้งนี้ปัญญาจะร่างในอาหารมันยินกันกันมันก็วิ่งโอเพีเวลามันติดขังทังปัญญาทันวันมันก็วิย่งตัดสานเพราะฉะนการเดินทางมากน้อยจึิงเกิดประโยชน์ในในในขั้นปัญญาข่้นธรรมฐะนถาไม่กังวลถูกแต่กังวลไม่ได้เอาปยญญาประมณนิดหนึ่งเป็นค่าสึดต่อกันเป็นอารมณ์ติ อย ก, ก็คู่ความทังหมดไม่ได้เพราจิตเป็นปฏิบัติไม่ได้ยิ่งของนอกยิ่งของมองัพอถึงขัน้นปัญญามันวิ่งได้นึ่งมันว่านอกว่าในกว้างแคบมันไปได้อ่าครอบโลกกระทาด้วยถึงขั้นมันออกปัญญาหนึมันไม่ลืมเลยฮะเป็นความเป็นมาความิดเป็นเงงอันนี้อย่างอื่นลืมหมดอันนี้ไม่มีเลยเพมันอยู่ในจิตมันก็เข้ากับหนังสือ ไม่ได้เป็ปัญหาเราสรุปอะไรกี่พันหนักอรับทางกานรีบถามบ้างเห็นทหารนี่ถ้ามีความหลงดืงเป็นหับอ๋อหลงดืงเป็นเหมือนกับคนเราทั่วไปพอสัญญานิจจาเป็นงของขันสิงทั้งนั้นรู้ได้ว่าหลงดืง ม, มีไหมมีคืออะไรสัจธรรม จะทำกระทุกบเปไรโรดมากลืมได้นาอยู่ที่หัวใจเขาก็อยู่ที่หัวใจขโมยไทยก็อยู่ที่หัวใจมากก็คือก็อยู่ที่หัวใจนี่โรดคือความดับระดับอย่ที่หัวใจนั่นจะ<อ>ลืมได้ย<อ>ังไงผู้รู้ถูกต้อีไม่ลืมสำคัญต่งตงางๆเอาจริแต่กระจายเลยหม ยนมามากน้อยนี่สูตรนั้นสูตรนี้เทือกสูตรไหนที่ควรจะเทียบเทียม ไ, ได้คําพี น, น, น, นั่งวิ่งคู่วันต่ก่อนนี้ไม่ลืมพรุ่งยันมาใหม่แต่ น, นี่มันลืมไปมากหมดแล้วั น, นคําพีนัน่งคาพีนี่นอกจากเวลาพูดไปจํบผ่าไปถึงจะออกมาก็ไม่จต็ไม่เต็เมนหน่อยนั่นตะก่อนแล้วก่อนมันจะไม่เต็มหน่อยมันําได้จริง เ, นนเนนพราะเราเนี่ยคว้นๆอยู่แล้ว เราครเงื่อนทำเงืนเราะเราเด้คุ้นคว้ามากทีนีพระกายวอยู่ว่างๆม่ทำอะไรพค้นบุตรงกายวิรุษพระพรวินัยมามาก็รู้แต่มัเคยรู้มากพวามสามอภิธเราไม่รู้มากมันอยู่ที่จิตไม่หมดมีเวลามาประกอบการพระสูตรพระวินัย สำคัญเพราณปรมาจิตเป็นเรื่องของจิตเรื่องนวนมันก็แปลกหน้าจิตไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่แต่อยู่ประมาจารย์ธรรจิตไม่ค่อยสัมผัสแม่ก็คิดแบบดูหลไรดูบ้างเร่อนู้นบูเคยเรื่องของจิตของจิตของจิตเรื่อความนี้มันก็เป็นอยู่นี้แล้วมันก็ไม่สนใจทศกุลที่มะ คนดเป็นขติ <หา S 1> เป็นองค์ประกอบอะไรต่างๆเพราะมันเป็นองค์นี้เป็นปลาที่ฐานยอยวกไเรื่องวัตถกเรื่องบุคคลส่วนธรรมะตธรรมนั น, น, นเป็นธรรม ท, ที่ฐานเหมือนนเราก็ไม่สงสัยอะไรนะดูยกรยน์ายระศนได้เยษษนี่ทำเนี่ย นัาถึงขั้นถึงควรสอนได้สอนได้หมดแม้ถึงขั้นถึงควรสอนก็สอนจะโยกมาสอนเฉพาะเฉพาะที่เหมาะกับภูมิของพวกนั้นเท่านัน้นเราจะโยกมาทั้งคําพีอธิอฐา น, นพระธรรมมาได้ไหมยกมาแล้ได้ขาดคนควาคนความาก อยู่ด pues <issions> <c ười consultation> ้ว่งกาลงคบขันผู้หญิงคนหนึงมาส่ง้วยหม่มาส่มังมันอันเดือนไหนก็สองเดือนผ่านมาแล้วคงเป็นเดือนนิถหนนเขาขาได้รับสนบอกว่าชอบัจมากเขาทราบขึ้นในเงสิที่เกิด หน้าเขาเขามาพูดผมขอประทานโทษเลยหมายเขาที่เห็นหมามันไม่ก็ไม่เร้าเป็นความหลัก บ, บอกแค่ไหมเพราะฝันระยิยบตกแค่พอซีเขาเขาขันอยู่ตรงนี้เขาเหมือนกับว่าเรานี่จบทัานไหนท่านเจริอยิ่งนี้ยุ่งนะเราก็ตอบไปตอบแบบเดียวกันลนะ อาจารให้อภัยมาแล้วตั้งแต่คุณยังไม่เขียนนุ่นเพราอาจารย์จบแค่ปสามเท่านั้นผมบอกผมให้อภัยตั้งแต่ยังไม่เขียนจนหมายนู่นผมว่าพราผมจบแค่ปสามคุจบแค่ปสามเขาจบปสี่นี่มันมันมันก่อนเขียนจนหมายแล้วใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราจึงบอกเราให้อภัยตั้งแต่ยังคุณยังไม่เขียนเพราะคุณจบเพราะอาจารย์จบแค่ปสามเท่านั้นคุณจบถึงปสี่ยังดีกว่าอาจารย์ อาจารย์ห้าายได้ไเลยทีนีพอสุดท้าตอบสรุปความแล้วสุดท้านักเราก็ลงชื่ลอลงพ่อปอสามดเยวพบขันด้วยกันหลวงพ่อปอสามนดยความจริงก็ยังงั้นที่ผมจบปอสาม น, นั่นเองนะแต่ก่อนมั น, นไม่มีปอสี โรงเรีย น, ม, นม่มีปสีปอสีมีมาที่หลังจบอสามแล้วออกด้ออกไดตาหารคุณเลขเท่าไรหลายตัวนี้ได้สบายนะปอสามแต่ก่ปอสามบอกแต่าล อ, อที่อย่างอื่นที่เราดูเราพูดก็ขเขาพูดในเป็นวงจากัดเขาจบ ท่านนั้นท่านนี่ก็บอกท่านนั้นท่านนี่เราจะเรียนไปอะไรมากน้อยอย่างไรผมไม่เป็นชั้นเป็นภูมิเราต้องจำเป็นเราต้องมาพูดเราก็ต้องเอาชั้นภูมิที่เขานิยมพูดกันสิเขาว่าเขาจบป .4 เราก็จบแค่ป .3 เขาบอกเราเก็ บ, บ, กบแค่ป .3 แปลงานเวลาสามวันสามหมดนั่นแหผ ม, นะมเรียนทังโลกเขาจบแค่ป .3 นักทาเอกกับนักทาเอกผมับสามจะอะไรตีโทเอกนีกัสามเดียนกับกกสามะจะอเป็นสามสามไปรเปรียนกพ่อป่อสามเาครับกบขันโลกโกผพูดไปเลยพิกประจั น, เ, นรเรื่องแล้รต่อ น, นั้นปอ น, นี้ชันนั้นชั้นนี้ว่างอะไบบนี้กตคู่วันนี้มันขื้อตะปะไปด้วยนะ ตอเนเดโมอเดืนนี้เนี่ยเย็นแม้แตางทำก็เป็นเป็นโรกไปหมดแต่ก่อนนั้นโวยเอาจริงจั ง, งไม่ดูใครเสียภูมิอ่ะหาดูใครกันไหนเสียภูมิได้ไม่ได้เป็นภูมิใจเราเราเย็นมาขนาดนี้ได้นี่เราถึงภูมิใจว่ะดืมขอลูกลก็ดึงเข้ามาได้นะเห็นไม่ยไเยอะใร ผมมือทุกวันโว้ยจอมตอนนั้นเรียนรัดกันทั้งนั้นพวกขี้เกียจทำอะไรไม่คิดชิ้นเป็นอะนน่าจะชื่อจะเสียงว่าต่ข้ขามเราก็จะไปดูแลเหมาะสามกวาม้าขงขวางเที่ยวบนหลังเขากว้างขวางชอบเราไปแล้วเราชอบ <c oughs> ถูกตาตาเรื่องเขาแล้วมันชอบอย่างะะไรเลย เพรมเคยกับเขามงอยูบนเขาหล่างเขาบางทีเ น, นเวลาดึกๆเนาะมันแตกนะอากาศเหมือนกับมันค่อยคลานคืบคลานเข้ามาหาเราเนาะละเอียดละอีดอะอากาศละเอียดาาละเอียดหมือนว่ามันคืบคลานเข้ามาหาเราเข้ามาหาร่างกายมือจิตใจเรานะมันละเอียดอากาศละเอียดอากาศสิอากาศทั้งหลาย แตอนกลางคืนเงียบด้วยนะที่อยู่ในถ้ายังไม่อากาศยังไม่ดีบางถ้ามไม่ดีนะผมก็ไม่ชอบทั้งผมเราไม่ถือขังตรงนั้นตรงนี้ทานั้นทานี้นักเราถือถ้าวาจะขันขังที่มันมันเป็นความสะดวกเหมาะสมในะการบำเพ็ญธรรมเราถือนั้นเป็นของขังการบาเพ็ญสะดวกสบายแล้วอยู่ก็สบายอยู่มีแต่ขี่ข้างคาว มันศรสตร์จะแตกมันเหม็นเขียวอี้ดึกนะตอนนั้นเราไม่อยู่อากาศรับอับก็ไม่อยู่ัอยู่ก็อยู่อากาศโล่งๆสบายอยู่ท่อมตอนนั้นจะอยู่บนหลังท่อหลังเขาเัี้เลยพล้วมันมีน้ำมาอยู่หลังเขาก็อยู่มันมีมอยกันมีแอ่งน้ำอะไรเป็นน้ำตั้งน้ำเถียวมันเลยอยู่บนหลังเขาอราห็นอยู่สบายเี้ กางคืนเงียบมันอากาศมันมันละเหอียดจริงๆนะแล้วเงียบหมดไมมีเสียงอะไรมีความรู้มันก็เด่นทนี่เมื่อความรู้มันเด่นมากๆจึงเป็นเหมือนกับว่าความรู้มันแสดงเสียงเป็นกลางวานด้วยความเด็นมันตัวเองมันเป็นความรู้สึกงั่นคือความรู้มันเด่นมากมันเด่นยังไงเพราะมันอยู่ในขั้นเด่นนั่น ร่างกายเหมือนไม่เหมือนไม่เหมืีมีเป็นเป็นเงาเงร่างกายของเราคืออำนาจของความสว่างอำนาจความละเอียดของจิตมันกระจายออกหมดมันเห็นร่างกายเป็ของต้องก้มลองดูอย่างนี้ก็ดูนี่นะผมบางทีนะเพราะมันสง่าผ่าเผยมันสว่างไว้จากเพียนภายในจิตเป็นของวัตถจั่งที่ร่างกายมเหมือนอะไร่ะเหมือน แก้าวครอบตะเกียงแจ้าอายุนั่นแหละคือมันทะลุหมดเลยความสว่างภ า, ายในทะลุแก้วครอาออกมาไม่มีรอยกัดข้อมีกิ่งกิ่งกระจายตัวออกมาร่างกายจึงเป็นเ ป, นเปนลี่ยนลองเน่าอย่งเงี้ยก็ประกอบกับอากาศดีๆนะกลางคืนสั่งัดขังัดด้วยแล้วความรู้นี่มันก็เด่นเต็มที่เลยร่างกายเหมือนไม่มีความหมาย มีความหมาอยู่อันเดียวท่านแต่จิตดวงรู้เด่นๆเท่นั้นทีนี้อจิตที่ว่าสังัดๆนะปกติจิตสงัดอยู่แล้วไม่มีแล้วถ้ามาปวนมาเลยมันมันไม่ยุ่งไปป่วนมันมายุ่งปวนกับอะไรด้วยเพราะฉะั้นจิตนี้ก็สังัดแต่ภูมิของมันแล้วความสงัดเต็มภูมิของมันนี่ยจึงเป็นความที่เด่นมากความเด่นของมันนี่แหละเป็นหนึ่งละจึงเป็นเหมือนกับเอ กระแสเสียงส่งความกังวานออกมาขอบโลกถานเนี่ ย, ยนั่นนะความเด่นความรู้ที่มันเด่นเด่นเหมือนเราเป็นเสียงกังวานขึ้นมาอยู่เป็นมากลางวานขึ้นมาด้วยความเด่นความรู้เป็นเงียบภายนอกก็เงียบภายในก็เงียบอสนุกที่จะงานสนุก โลกนี้มันไม่มีความหมายอะไรนี่มันพื้นฐานแล้ว <c oughs> อะไรที่จะเกิดเรื่องเกิดลามากน้อยดีชั่วประกันอะไร <c oughs> นี่มันจะออกจา ก, กจิตที่เท่านั้นน่ะถากก้าจิตไม่มีเรื่องคืออย่างเดียวไม่มีเรื่องอะไรในโลกนี้เหมือนโลกไม่มี <c oughs> มันเป็นความซึง้งขนา น, นไม่ใช่ธรรมดามันซึง้งจิตนี่เป็นเจ้าเรื่องที่นี่พอมันหมดเรื่องแล้วมันเรม่มีอะไรไมันมีแต่ความรู้ดิ่ มันมีอะไรแสงขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรสมัครเกี่ยวข้องจนมันแสงขึ้นมามันจะคิดปุ่มนําอารมณ์นั้นขามามันไม่มีที่โลกก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ได้ให้ความหมายว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ขั้วสิ่งั้นสูงสิ่งนี้ต่ําินั้นดำสิ่งนขาวมันเป็นความหมายของจิตทั้งนั้นเกี่ยวขอกไปพอจิตตรงนี้ ออกไปไม่ได้หรือว่ามันไม่มีทางที่จะออกหรือมันมันหมดเรื่องของมันที่จะออ ก, อกล แ, แล้วก็รแต่อจะพี่นาถบอกมันไม่ทีไปเกี่ยวแล้วโลกก็เหมือนนผมเด่นอยู่อันเดียวเท่านั้นหรอถ้าเราจะพูดว่ามีแต่นี้เนี่ยกับได้พูดได้เป็นปากเพราะงั้นมันมีหืมจดเดวงนี้เรื่องอาตาร์ของจิตนี่มันเกี่ยวกันเรื่อยอนี้ เลื่อยไม่หยุดไม่ถอยนะเปลี่ยนตั้แต่ความอยากขึ้นไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆมีอาการบบนี้เป็นอาการสมมุติเป็นความดีเปลี่ยนตัวขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหมดความเปลี่ยนตัวแล้วตัวสมมุติหมดมันก็หมดความเปลี่ยนแปลงของอาการเราจะพูดว่าติดไม่มีอาการก็นดเมื่อเราไม่แยง่งเราเราไม่ขัดเราตัวอย่างเดียวเราพูดได้ทั้งนั้นเพรอื่นจะขัดจะแย่งอะไรก็เปเรื่องของเขา ขอจะของอยขัดจะของอย่าเยี่ยนจะของเป็นความถนัดของแล้วมันพูดได้ทั้งนั้นแหละนีบ้านนความมัเดินมันอะไรมันสองอย่างเดินก็่เรื่อวายเอียมันก็เดินนั่นมันซ่งเป็นวิชามันก็เดินนัน เดินแบบเดินแบบันเดินทำให้ดุดให้ดืดให้ติดให้พันเนี่ยพูดกันนะเด่นแล้วเ็ติดพันด้วยนักเท้าอ้อยอินความเด่นนั้นเป็ความอ้อยอินให้ติดอย่างลึกซึ้งรู้สึกตัวแล้วเนเคลมหลับไปนะชาตนั้นมันหมดไปแล้วนะเด่ก็ไม่ติดตัวเอง ไน่มีอะไ้ติดทราบว่าเด่นก็ทราบหลัห่ทำไมไม่ทราบมันเด่นอยู่แล้วผู้ดเด่นคือผู้รู้อยู่แล้วทำไมก็ไม่ทราบอ้าวฝาดลงไปยืผู้เหล่านี้ผู้รู้รู้ทุกคนนี่นั่นแหละจิตตรงนั้นแหละไม่อยู่ไหนอยากคิดอยามองข้ามจิต เวลานี้ามันกลังเป็นเจ้าเรือ่องจิตเน่ันนั้มนมเป็นเจ้าของมาหาสมบัตามันเป็นเจ้าเรื่อที่เรื่เป็นนายมันเป็นหาความอาาัศจรรไม่ได้เพราะที่เรืไม่ใช่ข อ, อามัศจรรย์แล้วคาพูดทุกข์ทกดเนี่ยมันหัดรูคือมันเมเราพูดแล้วเราลืมประจานเวลาจิตเป็นขึ้นมา แล้วเมื่อมันมีขีนที่ว่าบางอคําพูดทั้งหมดเนี่ยมันจะวิ่งเข้าถึงกันเลยครูาวาอาจารพูดมาถึงีปีเยือนก็าตามเราจำไม่ยากเราลืมไปเสียเนี่ยพอถึงเราเป็น่งปุ๊บมันวิ่งมันเป็นความจริงหนึ่งนะกับอันนี้วิ่งเข้ากันเนี่ยมันมีพยาญ า, าลับฐานเข้าดืนกะันกันเลปั๊บปับปบปบพอมันถึงว่าปัโาาานะ๊โอ้โหนี่ครูบาอาจารย์เขได้เตือนฟังแล้วโอ้โหน่ครูวอาจารย์เขาเตืฟังแล้วแต่ความมันทั้นไม่เข้าใจ แล oh ้วตักาหนึ่งจำไม่ได้รู้ว่าพนม้โผล่ขึ้นปุ๊บผมนี่เข้าใจแล้วจำได้โอ้โหนี่เคยสะเทือแล้วแหมมันพูดเกินกาลติดคือเจ้าเอือก็อรู้แต่นี่อังก็ไม่รู้อ่ก็เหมือนกับแอก็ไม่รูนี้โยกไม่มี มุขฆานก็โมฆขลาภหรือโกโลกังเวยบเวกฆสุเลยมฆะลาภยัสดาเป็นกงก่อมฆะลาภเขาอยู่ที่ไายโลกเป็นของผู้นักต่างต่างมองว่าพยายามเยอยตามไม่ถึงว่าไมพวกไปดูยังไมันอยู่ในหลักนิธเรมเอกนะธรรมวิจารหลังธร้มเอก โลคือความว่างเปล่คือว่างจากกับกลุ่มคลจากตัวกลกกมคนจากเราจากเขาจากถึงจากทาจากดีว่ดช่วยอันนี้เองอย่างคุนึกได้ว่างไปอย่างนี้พอถึงข่้นบางแล้วมันก็ว่างอันหนี้กต่างหานั้นมั้งมหาจจนถึงนู้นต้นต้นมาตั้งถึงนู้แหละว่านี่แคนยามวัดูมันไมัดเพราะเาจไม่จูบมันนั่นมันจำอย่างไร มันก็ผู้หกคนคุณถามมหาวิทาัเมื่อนนั้นจะกระดาดหน้าของคนละมันก็เหมือนเด็กเนี่ยเด็กเลยแเราเป็นขนาดผู้ใหญ่ยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรพอที่จะคิดได้สปถามครูบาอาจารย์งงอยกันเด็กแต่วะนี่เมั่อวิจารณ์ก็อุปโนโคมือ อุปนวโคเนะกดที่เราอยากอยากกนี่ยอุนวโคเมกนนี่จริงๆามีื้อให้เกิด็จริงเือาเกิดเจริงเ้อาง่ ไอ้ภาษาใหญ่ต้องมาอืมการาวนาเกี่ยวกับ่าวนาดูฟุ้งเด้อหมอยว่ะหมัยความครูการมันกาลังหลังมันมันมันมีอะไรคนคือไอ้พระเราหลง รวมเมื่อลุตัวเหมือนผู้วันด้านลัทธิมงก็ไม่ใช่มีอะไรมาลมตัวมากมายปรมาณครั้งก่อนที่อยู่ี่ะใครก็ไม่รู้เพราะเรื่องมานมจายเพราะม้โครงการทีอนะ่อยู่เรื่องมันไม่ค่อยระจานะหลังจากนั้นมาแล้วแต่ว่าอย่างนิ่งก็คืประวัติขงท่านเนี่ยสำคัญวางท่านออกนี่ประจาเลยบงคนก็หลังไหลามาี่ มันก็จะกาเป็น ก, กัลลสังหันติตาตายก็เหยื่อร่อผูเป็นธรรมยงกเป็นผู้อเป็นมีนลืมตัวนนะถึงํมามนักขีก็เขาบลืมตัวตรงนั้นตรงเสื่อผู้เป็นธรรมนะทำอะไรก็ไม่รื้ ยกสมบัติมาทั้งสามโกก็ทานมาเมาทันขงเดียวท่านก็ไม่รู้โอ้ยไม่เอาถึงวางเท่านั้นถึงกระบาดุเดเอมืันก็หนักตะตายแล้วบาดเท่านั้นเลยแต่เอาอะมาให้ไม่หอกมาเบีกมาหามอะไรนะเบียดท่าเบียดขันมันก็หนักพรา่มกอดตายเลยทางข่าวมันเคียเพอาะท่านไม่มีอะไรจะยึดไม่เห็นมีอะไรที่เศื่อมโทรอเพอาะที่อยู่ประหลง จุกใจของเราไม่เป็นอย่างนั้นเลยยังเขานับถือก็ะลืมตัวแล้วมีคนเขรบนับถือก็ลืมตัวหันมือเราจะลืมเขาจะลบนับถือไดีเขาจะทำมีติสินินทาไปดีเท่าเดิมเรื่องปากคนเรื่องโลกธรรมเรียนธรรมะปเรยนโลกธรรมนี่เรื่องถตอนนี้รู้ตัวแล้วมันก็ไม่หยุดตัวเรื่องเรามันเกิดขึ้นจับตัว เขาตำหนินี่ก็เป็นออกจากปากเขาเออกจากความคิดเขาเขาสร้างขึ้นขึ้นไปบนผลก็เป็นของเขาเองแล้วไม่เหนือเมียถ้าเราว่าเป็นสนนำคัญขึ้นมาสำคัญว่าเขาตำหนิเราสำคัญว่าเขาว่าให้เราหนื่อยก่อนสำคัญเนี่ยสร้างขึนด้ในตัวเไม่พอใจในเขาหนักหนึ่งสร้างอึ้นมาในตัวก็ได้รับผลในตัวไม่พอใจหยอดแล้วมีวาขึ้นมา เปนราสร้ามเป็น้างเราคว้าสายไปยินกับเขาหนึ่งพอเราไม่ร้างเป็นางแล้วก็ผ่านไปเงี้บเงียมันจะไปไหนมันไม่มีตะกร้ามันมีกระบุงใส่เงียบความใช้เสื่อความสมเธอความทิดซึมทางผ่านหูป๊อปป๊๊ตมันเป็นลมปล่าวะผ่านไปผ่านไปผ่านไปและอะไรอางนเราะศีลมินพอแล้วมันไม่รับอะไร ดึมเข้ามากำลั้นพมาคนั้นท่นยังอคุณนักปราชญ์ถึงน้าบุคคลผู้มีคุณละบาณไม่ละไม่เลยจริงนะครับพระรังเนี่ยผมอยากจะให้ใจหลักได้เกินทางน้ายปฏิบัติให้เป็นหลักเป็นเกณฑทสัง้อนรงมูปั้งวกเดียวกันได้ง่าย